ด้วยความยินดีฉันทะในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสอนไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง ท่านจึงมีความยินดีที่จะเข้าหาพระธรรมของพระพุทธเจ้ากันเพราะเมื่อมีความยินดีในธรรมก็จะขวนขวายหาธรรมกันเมื่อมีการขวนขวายหาธรรมก็จะได้มีการได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนั่นเองที่เป็นรสที่ชนะรสทั้งปวง รสแห่งธรรมก็คือความสุขใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสู้ความสุขของรสแห่งธรรมไม่ได้เพราะ ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเมื่อถึงเวลาเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีแต่รดแห่งธรรม คือความสุขจากรถแห่งธรรมนี่ไม่ใช่อนิจังทุกขังอนัตตาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเมื่อเราได้แล้วเราจะได้ความสุขนี้ไปตลอดนี่แหละจึงถือว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสูญสลายไม่มีวันสิ้นสุดจะอยู่คู่กับใจไปตลอดจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงการที่จะได้รถแห่งธรรมก็ต้องมีความยินดีในธรรม ความยินดีในธรรมก็ชนะความยินดีทั้งปวงถ้ายินดีในลาบยศสารเสริญในความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปขวนขวายหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมาร้องห่มร้องไห้ มาเศร้าสูกเสียใจเมื่อลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงเกียรตต่างๆเสื่อมสลายหมดไปงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดขณะที่มีงานเลี้ยงก็สนุกสนานเฮฮากันแต่พองานเลี้ยงถึงที่สิ้นสุด ความสนุกสนานเฮฮาก็หมดไปความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความวาเก็จะเข้ามาแทนที่นี่แหละคือความยินดีในทางโลกคือทางโลกกระทำแปดคือลาบยศสรรเสริญสุขเมื่อยินดีในลาบยศสรรเสริญสุข ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพบกับความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขนั่นเองเมื่อพบกับความเสื่อมก็จะพบกับความทุกข์จึงไม่ควรยินดีในลาบยศสารเสริญในรูปเสียงกล่นรถโพธภิภพควรยินดีในธรรมเพราะรถแห่งธรรมนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าได้มาแล้วจะอยู่คู่กับใจไปตลอดจะไม่ทำให้ผู้ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหรือมีความรู้สึกเหงาหรือว้าเวยแต่อย่างใดจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามถึงแม่ร่างกาย จะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม่ร่างกายจะแก่ชราหรือถึงแม่ร่างกายจะตายไปรถแห่งธรรมคือความสุขของธรรมนี้ก็จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเพราะรถแห่งธรรมไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนั่นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของร่างกาย รถแห่งธรรมอยู่ที่ใจใจที่ไม่มีวันตายไม่มีวันเสื่อมจึงควรมีความยินดีในรถแห่งธรรมกันเมื่อเรามีความยินดีก็จะเกิดมีความขวนขวายตามมามีคานขวนขวายหารถแห่งธรรมกันเข้าหารถแห่งธรรมกันวิธีเข้าหารถแห่งธรรม ก็คือเข้าหาด้วยการศึกษาในเบื้องตน้นถ้ายังไม่รู้ว่ารถแห่งธรรมเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมมาแล้วผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมมาแล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นีเองเป็นผู้ที่ได้สัมผัส รสแห่งธรรมพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกในโลกนี้ที่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงหลังจากที่พระองค์ได้ส่งสค้นพบรสแห่งธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อบุคคลธรรมดาผุุ้ชนธรรมดาอย่างพวกเราที่จะเข้าถึงได้ ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นของใกล้ตัวเราเสียด้วยซ้ำไปแต่เรากับมองไม่เห็นเหมือนกับร่างกายของเรานี่หน้าตาของเรานี่เราอยู่ใกล้กับมันแต่ถ้าเราไม่มีกระจกดูเราจะไม่รู้จักหน้าตาของเราว่าเป็นอย่างไรทั้งๆ ท, ที่อยู่ใกล้กับหน้าตาของเรา จะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรถ้าไม่มีกระจกให้เราเห็นภาพของร่างกายของเราฉันใดรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ก็อยู่ในใจของพวกเรานี่เองแต่พวกเรากลับไม่รู้กันกลับไปคิดว่าอยู่ข้างนอกอยู่ที่โ น, น่นอยู่ที่นี่ไปแสวงหากัน ส่วนใหญ่ก็คิดว่าอยู่ที่ราบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอไปหาแล้วก็ผิดหวังกันเพราะเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวร น, นั่นเองไม่เป็นความสุขที่ถาวรเหมือนกับความสุขของรถแห่งธรรมนานๆจะมีคนฉลาดที่จะสามารถ เข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้นะบุคคล น, นี้ท่านเรียกตัวเองว่าผู้รู้ผู้ได้ค้นพบรถแห่งธรรมผู้รู้แปลว่าพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้รเราคารวะผู้รู้ยกท่านสูงเราเลยเติมเจ้าเข้าไปด้วยเราเติมพระเข้าไปอีกด้วย ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ความจริงท่านเป็นพุทธผู้รู้ฝรั่งเขาไม่มีพระพุทธเจ้าเขามีแต่บุฎาบุฎาแปลว่าผู้รู้แต่เราเป็นคนไทยที่มีพระราชามาหากษัตริย์เรายกย่องพระพุทธเจ้านี้เหนือพระราชามาหากษัตริย์ เราเลยต้องใช้ราชาศัพท์กับพระพุทธเจ้าจะไปเรียกพุทธะเฉยๆก็จะไม่สมพระเกียรติก็ต้องเรียกพระพุทธเจ้า น, นี่คือแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกตนเองว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกตนเองว่าเราเป็นผู้รู้เป็นพุทธะผู้รู้รสแห่งธรรมด้วยตนเอง ตัดทัรู้โดยชอบหมายความว่ารู้ด้วยตนเองเพราะว่าไม่มีใครรู้นั่นเองไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่ารถแห่งธรรมอยู่ที่ไหนคือความสุขที่จีรังท้าวรความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นสุดนี้อยู่ที่ไหนไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆในสมัยที่พระองค์ทรงแสวงหา ก็ไม่มีอาจารย์รูปใดองค์ใดที่จะสามารถบอกให้กับเจ้าชายเสด็จทัาได้ว่าลดแห่งธรรมคือความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมนี้อยู่ที่ไหนพระองค์เลยต้องเป็นคู่ศึกษาค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกอยู่ระยะหนึ่งจนในที่สุดก็ส่งค้นพบ ว่ า, อ, าอยู่ในใจอยู่ที่ความสงบของใจอยู่ที่การสิ้นกิเลสอยู่ที่การหมดกิเลสหมดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆจึงได้ค้นพบกับลถแห่งธรรมพบกับความสุขที่ไม่มีความเสื่อมไม่มีวันสิ้นสุดเรียกว่าพระนิพพาน นิบานังปาลมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบรมมาสุขนิพพานก็คือจิตที่สิ้นกิเลสนั่นเองใจที่ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงใจที่ปราศ จ, จากความอยากต่างๆก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี่คือพระพุทธเจ้า พวกเรานี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนเราถึงจะได้รู้จักว่ารถแห่งธรรมนี้อยู่ที่ไหนและจะเข้าถึงรถแห่งธรรมได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีใครรู้กันแต่พอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้ว แล้วนำเอาความรู้นี้มาสอนผู้อื่นสอนว่ า, าลถแห่งธรรมนี้อยู่ที่ไหนและวิธีเข้าถึงลถแห่งธรรมนี้เข้าได้อย่างไรพอผู้ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถเข้าถึงลดแห่งธรรมกันได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมากะ เป็นผู้ที่รับทาหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ความรู้เผยแผ่รถแห่งธรรมให้แก่ผู้อื่นตามลำดับต่อไปมีการเผยแผ่ถ่ายทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงยุคปัจจุบันยุคของพวกเราพวกเรายังถือว่าโชคดีที่ยัง ได้มาพบกับผู้ที่รู้หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนที่บอกว่าลดแห่งธรรมนี้อยู่ที่ไหนและวิธีจะเข้าถึงลดแห่งธรรมนี้เข้าถึงได้อย่างไรพอพวกเราได้มายินได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาได้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอันใดก็ตามบางท่านอาจจะถูกอสอนถูกสั่งให้อ่านเจนบิดามาดาอาจจะบังคับให้ไปวัดไปบวชก็เลยต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบางท่านก็ได้อ่านได้สัมผัสกับคาสอนด้วยความ สงสัยเรื่อด้วยความอยากรู้อยากเห็นเช่นชาวต่างชาติที่เขาไม่ได้เกิดในในศาสนาพุทธแต่เขาเป็นคนชอบรู้ชอบเห็นอะไรต่างๆที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยค้นคว้าหาหนังสือต่างๆมาอ่านกันพอได้อ่านหนังสือธรรมะเข้า ก็ได้เรียนรู้ว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและรู้เรียนรู้วิธีว่าจะเข้าถึงความสุขนี้ได้อย่างไรพอเขาได้รู้เขาก็เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาเกิดฉันทะความยินดีในลถแห่งธรรมขึ้นมาพอเกิดความยินดีก็ทำให้เขาศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ได้รู้รายละเอียดต่างๆของวิธีการที่จะเข้าถึงรถแห่งธรรมนี้ว่าเข้าได้อย่างไรพอได้ศึกษารู้วิธีการแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมตามลำดับในเบื้องต้นก็จะสัมผัสไปทีละเล็กทีละน้อย สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นรถแห่งธรรมแบบชั่วคราวไปก่อนแต่รถแห่งธรรมแบบชั่วคราวนี้ก็จะนําพาไปสู่รถแห่งธรรมที่ถาวรต่อไปถ้ามีการปฏิบัติอย่างไม่อย่างไม่ย่อหย่อนอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่หยุดยัง้ง มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการเดินทางถ้าตามใดมีการเดินทางอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนแต่ถ้าเดินทางไประยะหนึ่งแล้วก็หยุดเดินทางไม่เดินทางต่อก็จะไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ การเข้าถึงลดแห่งธรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติแล้วก็จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอและมีการเพิ่มการปฏิบัติขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับตามกำลังของผู้ปฏิบัติที่จะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อได้ปฏิบัติแล้วจิตใจก็จะมีกำลังมีฉันทะมีความยินดีในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อได้ปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับรดแห่งธรรมไปตามลำดับนั่นเองทุกครั้งที่ได้สัมผัสกับรดแห่งธรรมก็จะทำให้เกิดมีความยินดีที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลาดับ ก็จะมีการเพิ่มการปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นปฏิบัติแบบเต็มร้อยคือจะไม่เอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นอีกต่อไปยกเว้นภารกิจที่จำเป็นจริงๆคือภารกิจการเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นแต่ก็จะใช้ การเลี้ยงดูร่างกายนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้มีหลายรูปแบบด้วยกันมีการปฏิบัติแบบที่ทํากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปได้เช่ น, นทํากิจกรรมเลี้ยงดูร่างกายอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาหารหาอาหารมารับประทานทำความสะอาดต่างๆการทำกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะได้มีร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมนั่นเองในขณะทำกิจกรรมก็สามารถปฏิบัติทำไปควบคู่ไปด้วยกันได้ ธรรมที่สามารถปฏิบัติควบคู่กันได้ก็คือการเจริญสตินี่ซึ่งเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาธรรมที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาก็คือศีลสมาธิปัญญาวีมุตติการหลุดพ้นจาก อำนาจของกิเลสตัณหาถึงจะเข้าสู่ถึงลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงได้แต่การที่จะเกิดธรรมเหล่านี้ขึ้นมาจำเป็นจะต้องเป็นมีสติเป็นผู้เบิกทางเป็นผู้นำทางถ้าขาดสตินี้รักษาศีลไม่ได้ คนเดิมโซลาแล้วมักจะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะขาดสติเดิมโซลาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาไม่มีสติยับยั้งความคิดการพูดและการกระทําของตนถ้าคิดจะทําไม่ดีก็ยับยั้งไม่ได้แต่ถ้ามีสติก็จะสามารถยับยัง้งการคิดการพูด การกระทำที่ไม่ดีได้เนคนที่มีคนที่ไม่ได้ดื่มสุราคนที่ไม่เมาแับคนที่เมาเป็นเหมือนคนสองคนนะทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนคนเดียวกันเวลาไม่เมานี้สุภาพเรียบร้อยทำงานทำการได้ดีแต่พอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งทันที กลายเป็นคนที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยให้ทำงานทำการอะไรก็ทำไม่ได้เพราะนี่แหละคือการไม่มีสติดังนั้นพระพุทธเจ้าสิ่งทรงสอนว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นธรรมที่จำเป็นในทุกกรณีแม้ว่าจะเป็นการรักษาศีลก็ตาม แม้ว่าเป็นการเจริญสมาธิก็ตามแม้ว่าการเจริญปัญญาก็ตามถ้าขาดสติแล้วจะไม่สามารถทำให้ทมเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้ยึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสติในเบื้องต้นก็คือต้องละเว้นการดื่มสารยาเมา อย่าไปคิดว่าอดื่มเพียงหยดสองหยดแล้วจะไม่เมาใช่เวลาเริ่มมันก็เริ่มแค่หยดสองหยดแก้วสองแก้วเดี๋ยวมันกลายเป็นขวดสองขวดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอเดินไปแล้วมันจะติดมันจะเพิ่มปริมาณการดื่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเวลาเราเริ่มต้นดื่มสุราเราเค่อดื่มทั้งขวดเลยกินแค่ถ้วยเดียว ก, ก็กินไม่ลงนะขมปี แต่พอฝืนบังคับเขาว่าดีกินแล้วทําให้หน้าด้านก็เลยอ้าวอยากจะหน้าด้านก็ต้องกินหน่อยเอี่ยพอถ้าไม่หน้าด้านแล้วไม่กล้าพูดไม่กล้าทําขี่อายน้ำเนียมพอได้ดื่มโซลาแล้วกลายเป็นอีกคนเลยกลายเป็นคนหน้าด้านกล้าพูดกล้าทําอะไรต่างๆที่คนธรรมดาจะไม่กล้าทํากันเนี่ยคือ คนพอถูกยุถูกบังคับให้ดื่มก็อะไรดื่มพอดื่มแล้วมันก็เริ่มติดเวลาไม่มีคนยุก็ยังอยากดื่มขึ้นมามันก็จะดื่มแล้วก็จะทำให้ติดเพราะสุดามันก็มีมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือ มันก็ทําให้ลืมเรื่องปัญหาต่างๆไปชั่วคราวเวลาดื่มสุราแล้วมันก็เกิดอาการมึนเมาเกิดอาการเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรบางทีมีความทุกข์มีความเครียดมากๆก็อา ศ, าศาัยการดื่มสุราเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ความเครียดแต่มันกลับมาสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาคือปัญหาที่เกิดจากการติดสรุรา พอถึงเวลาต้องดืม่มโซลานะพอไม่ดื่มสซลาทีนี้เครียดขึ้นมานะทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเรื่องจะให้เครียดก็เครียดขึ้นมาเองเครียดเพราะไม่ได้ดื่มสุลาอันนี้แหละจึงไม่ควรแก้ปัญหาความเครียดด้วยการดื่มสรายาเมานะควรที่จะหาธรรมะที่เป็นเครื่องมือที่แก้ปัญหาแก้ความเครียดได้อย่าง ปลอดภัยไม่มีพิษไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีโทษตามมาถ้าใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ปัญหาแก้ความเครียดแก้ความทุกข์ก็คือใช้สตินี่แหละเป็นเครื่องแก้แกถ้ามีสติสติก็จะสามารถดึงใจให้หยุดคิดได้ให้หยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เครียดที่เกิดทำให้ทุกข์ พอไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เครียดให้ทุกข์ความเครียดความทุกข์ก็จะหายไปถึงแม้ว่าจะหายไปชั่วคราวก็ตามแต่ถ้าเครียดใหม่ก็ใช้สติใหม่ถ้ายังไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาความเครียดด้วยวิธีที่ถาวรคือวิธีของปัญญาถ้าอยากจะแก้ปัญหาของเคความเครียดความทุกข์ อย่างทาวรนก็ต้องใช้ปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาก็ต้องมีสติเป็นผู้กํากับปัญญาอีกเพราะปัญญาจะไม่เกิดถ้าไม่มีสติเป็นผู้สั่งให้เกิดนั่นเองดังนั้นสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญและเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา จนถึงเวลาที่หลับนอนจึงไม่ควรมองข้ามการเจริญสติซึ่งเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่จะเปิดประตูบานแรกให้เข้าสู่ประตูเอกหลายบานที่รออยู่ข้างหน้าต่อไปถ้าไม่สามารถผ่านประตูผ่านด่านแรกได้ก็ไม่สามารถผ่านด่านที่สองด่านที่สามได้ ถึงต้องให้ความสำคัญกับการเจริญสติแล้วก็เป็นเป็นดิความดีที่สามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาควบคู่ไปกับการทำภารกิจต่างๆไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่คนเดียวไม่ทาอะไรถึงจ ะ, จะเจริญสติได้แต่ถ้าจาเป็น ต้องทาภารกิจที่จำเป็นก็ยังสามารถเจริญสติได้แต่ถ้าถ้าไปทำภารกิจที่ไม่จำเป็นนี่ก็จะยากต่อการเจริญสติและจะไม่ได้สติที่ต้องการคือสติที่ไม่คิดสติที่หยุดความคิดเช่นถ้าต้องไปทำงานทำมาหากินแบบที่ต้องใช้ความคิดมา ก, มาก คิดวางแผนการต่างๆคิดวิธีจัดการแก้ปัญหาต่างๆการจะใช้สติให้หยุดคิดก็จะทําไม่ได้ก็ทําได้เพียงแต่คอยประคับประคองความคิดให้คิดอยู่เฉพาะเรื่องงานเรื่องการเท่านั้นไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องทางอื่นที่จะทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมา สำหรับผู้ที่ต้องการลดแห่งธรรมก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่ทางานทาการกันก็จะไปอยู่แบบนักบวชกันเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะได้มาแสดงธรรมได้อย่างตลอดเวลานั่นเองมามาปฏิบัติธรรมได้อย่างตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยทำที่ควรเจริญทำที่ควรยินดีในอันดับแรกก็คือสติถ้ามีสติก็จะควบคุมการพูดการกระทำได้ก็จะรักษาศีลได้ถ้ารู้ว่าจะไปทำผิดศีลก็หยุดได้ถ้ามีสติ เนผู้ที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อให้เข้าถึงลดแห่งธรรมได้จําเป็นที่จะต้องมีสติมากๆมีสติแบบเต็มร้อยถึงจะเข้าถึงลดแห่งธรรมได้อย่างเต็มร้อยแตนะ่เบื้องต้นก็ฝึกไปตามกําลังของสติที่มีอยู่ไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปตามลําดับ สตินี้ก็เป็นเหมือนเด็กทารกในเบื้องต้นก็เหมือนเด็กทารกอย่างล้มลุกคลุกขานอยู่แต่ได้แต่พอได้ฝึกยืนขึ้นบ่อยๆได้ฝึกเดินต่อไปก็จะยืนได้เดินได้และวิ่งได้แต่ลตอนเริ่มต้นก็ต้องเป็นไปแบบล้มลุกคลุกขานการฝึกสติในเบื้องต้น ก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นแบบล้มลุกคุกคานมีสติบ้างเผลอบ้างมีสติหยุดความคิดได้บ้างแล้วเดี๋ยวก็เผลอปล่อยให้ใจไปคิดแต่ถ้าพยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นการเผลอก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆตามกำลังของสติที่ได้เจริญขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงต้องมีความขวนขวายมีความเพียรพยายามมากๆแล้วก็มีความอดทนอย่าท้อแท้เบื่อหน่ายเวลาที่เผลอสติเวลาที่ล้มลงไปล้มลงไปก็ลุกขึ้นมายืนใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปล้มอีกก็ลุกขึ้นมายืนใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไป ถ้ามีความขวนขวายมีความเพียรพยายามที่จะฝึกสติอยู่เรื่อยๆต่อไปสติก็จะไม่พลังไม่เผลอสติก็จะกลายเป็นสติอัตโนมัติไปหรือเรียกว่ามหาสติในเบื้องต้นก็เป็นสติแบบเด็กๆก่อนแบบล้มลุกคุกขานไปก่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นสติของผู้ใหญ่ เป็นมาหาสตนะิผู้ใหญ่นะมาหาแปลว่าผู้ใหญ่มาหาสติก็เป็นสติของผู้ใหญนะ่แต่ผู้ใหญ่นี้เราไม่ได้หมายถึงร่างกายหมายถึงใจหมายถึงสติที่ได้เติบโตขึ้นมาเป็นสติแบบผู้ใหญ่นะแต่ในเบื้องต้นเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติกันนี้เราจะเป็นสติแบบเด็กทารกนะเป็นสติแบบ ชั่วครั้งชั่วคราวพุทธโธได้สองสามวินาทีก็ล้มลงไปหายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามาแทนที่เดี๋ยวพอได้สติขึ้นมาก็พุทธโธใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติฉะนั้นไม่ควรรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะถ้าท้อแท้เบื่อหน่ายมันก็จะพาให้ไม่ไม่ีกำลังใจที่จะปฏิบัติน เมื่อไม่ปฏิบัติการจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงต้องมีความเพียรพยายามเจริญสติและต้องมีความอดทนอย่าท้อแท้เบื่อหน่ายถ้าท้อแท้เบื่อหน่ายก็อาจจะพักชั่วคราวก็ได้พักเอาแรงชั่วคราวพอรู้สึกมีแรงแล้วก็กลับไปทำใหม่ แจะไปพักแบบไปเที่ยวไปทําอะไรพักแบบอยู่เฉยๆทําทําทําใจให้สบายสบายอยู่ตามลําพังแต่ไม่ต้องถึงกับฝืนบังคับให้พุทธโธพุทธโธเพียงแต่อาจจะขอพักหน่อยเครียดกับการเจริญพุทธโธก็พักบ้างพอหายเครียดแล้วก็มาเจริญพุทธโธใหม่ หรือเปลี่ยนการเจริญจากการใช้พุทโธมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึง่งร่างกายเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็คอยเฝ้าดูทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวให้รู้เฉยๆใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นจุดดึงจิตเอาไว้ผูกจิตเอาไว้ ไม่ให้จิตไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆนั่นเองถึงแม้จะมีความคิดมาคิดถ้าเราก็ติดอยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจิตก็จะไม่ไหลไปกับความคิดแล้วความคิดก็จะค่อยๆหายไปเองแต่ถ้าไม่มีอะไรไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอความคิดมาก็จะคิดตามไปกับความคิดคุยไปกับความคิด แต่ถ้าความคิดมาเราไม่ไปคุยไม่ไปตอบความคิดต่างๆเราอยู่กับการเฝ้าดูอิริยาบทของร่างกายเดี๋ยวความคิดก็จะหยุดมาชวนเราไปคิดนั่นเองฉังนั้นต้องมีอะไรเป็นเครื่องมือสร้างสติเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจก็ใช้นี่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้คืออารมณ์เรือ อาการใดอาการหนึ่งเช่นร่างกายก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้เป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆว่าเป้าหมายของเราคือต้องการให้ใจนิ่งนั่นเองใจจะนิ่งใจต้องมีอะไรผูกเกาะติดเอาไว้มีกรรมฐานเกาะติดไว้ ถ้าไม่มีกรรมฐานใจก็จะไหลลอยไปกับความคิดต่างๆเห็นต้องฝึกกรรมฐานกันการฝึกกรรมฐานก็คือการฝึกสตินี่เองกรรมฐานเรียกว่าอนุสติเป็นที่สร้างสติขึ้นมาเพรฉนเราถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทธโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติ ให้เราเราเลิกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาเราก็อย่าไปสนใจเหมือนกับเรากำลังทำงานอะไรอยู่แล้วโทรศัพท์ดังขึ้นมาเราก็ปล่อยให้มันดังไปอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หยุดดังเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ทำงานของเราไปเรากำลังพุทธโธ เราก็พุโทโธของเราไปจะมีความคิดอะไรเข้ามาชวนเราคิดเราก็อยากไปคิดกับมันเราก็พุโทโธพุธโทโธของเราไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอดไปหูหนวกตาบอดกับความคิดให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเปลี่ยนได้กรรมฐานนี่เปลี่ยนได้ ถ้าเหนื่อยกับคำบริกรรมพุโทโธอยากจะหยุดบริกรรมก็มาดูลมหายใจเข้าออกดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเช่ fünf, ขนขณะที่นั่งทำสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนเพื iding, ่อให้ใจนิ่งให้ใจสงบนั่นเอง นี่เป็นการฝึกสติเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเราพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงที่มีอยู่ในป่ารอยเท้าช้างนี่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนี่คือความยิ่งใหญ่ของสติเป็นธรรมที่ครอบธรรมทุกชนิด เพราะทำทุกชนิดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดสติเป็นผู้นำนั่นเองดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องมาเจาริญสติกันให้มากมากแล้วก็ดีที่เราสามารถเจริญสติได้ในทุกอิรยาบทในทุกกิจกรรมที่เราทำถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นกิจกรรมการเลี้ยงดูร่างกาย การทำความสะอาดต่างๆไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดมากก็สามารถที่จะฝึกสติแบบไม่คิดได้การใช้สติแบบคิดนี้มันไม่มีไว้สำหรับระดับขั้นที่สองคือระดับปัญญาเวลาคิดทางปัญญาก็ต้องมีสติคอยควบคุมให้คิดอยู่ในเรื่องในราวของปัญญา ไม่ทะเลทลายออกนอกลูนอกทางไปไปคิดเรื่องอื่นแทนก็ต้องมีสติถ้าอยู่ถึงขั้นปัญญา้วต้องใช้สติที่มีกำลังมากกว่าสติที่ใช้ในการทำสมาธิาจึงต้องมีสติในระดับสมาธิก่อนถึงสามารถที่จะมีใช้สติไปใช้ในทางปัญญาได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถควบคุมความคิดให้คิดไปในทางปัญญาได้เพราะกำลังของคู่ต่อสู้คือกิเลสตัณหานี้จะมีกำลังมากและสามารถดึงความคิดให้ไปคิดในทางของกิเลสตัณหาแทนได้จึงต้องใช้สติที่มีกำลังมากมในเบื้องต้นก็เอาสติที่มีน้อยนี้มาฝึกสติให้มีกำลังมาก ด้วยการฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆทำจิตให้สงบถ้าทำจิตให้สงบได้ก็เถอว่าสติมีกำลังสู้กับกิเลสได้แล้ว ถ, ถ, ถึงทำให้กิเลสหยุดทำงานไดน้เวลาจิตสงบนีกิเลสหยุดทำงานทำงานไม่ได้ เพราะกำลังของสติคุมเอาไว้อยู่กันเอาไว้อยู่กดเอาไว้อยู่เหมือนหินทับยาหินทับกิเลสสติเป็นเหมือนหินที่จะทับกิเลสไม่ให้กิเลสทำงานแต่พอถอนออกจากสมาธิมากำลังของสติอ่อนลงเพราะต้องปล่อยให้เกิดความคิดต่างๆเพราะต้องไปทำภารกิจต่างๆ หรือเผลอปล่อยให้คิดมากเกินไปกิเลสมันก็จะโผล่ออกมาได้ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาบังคับใช้สติบังคับให้คิดไปในทางปัญญาเวลากิเลสจะคิดไปในทางกิเลสก็ต้องใช้สติบังคับให้คิดไปในทางปัญญาคิดตรงกันข้ามกับความคิดของกิเลสกิเลสจะบอกว่า อันนั้นเป็นนิจจังอันนั้นเป็นสุขขังอันนั้นเป็นอัตตาเวลาเราเห็นอะไรแล้วเราคิดว่ามันเป็นความสุขนั่นแหละเป็นความคิดของกิเลสแลเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงเพราะความจริงไม่ว่าเราจะเห็นอะไรสัมผัสรับรู้อะไรมันเป็นทุกข์ขังทั้งนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะมันมีความสุข หุ้มห่ออยู่ภายนอกเหมือนกล่องของขวัญของขวัญที่สวยงามห่อด้วยกระดาษสวยๆโบว์สวยๆแต่เปิดเข้าไปไปเจอลูกระเบิดเข้าเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องของขวัญพอเห็นเขาใส่ห่อด้วยกระดาษสวยๆมัดด้วยโบว์สวยๆก็คิดว่าโอ้ยคงจะเป็นน้ำหอมมั้งคงจะเป็นเครื่องสัมมา คงจะเป็นของมีค่านาฬิกงนาฬิกาเรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะคิดไปอย่างนั้นทันทีถ้าเป็นความคิดของกิเลสแต่พอเปิดดูด้วยปัญญาถึงเห็นว่ามันเป็นลูกระเบิดพอเปิดปั้มมันก็ระเบิดใส่เราตุม้มนั่นแหละถ้ามีปัญญาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรูบร้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่มันถูกความสุขคุ้มห่อเอาไว้ต้องแกะเอาความสุขออกไปพอความสุขที่ได้จางหายไปเมื่อไหร่เวลานั้นก็จะพบกับลูกระเบิดที่จะระเบิดตูมใส่ใส่ผู้ที่ไปไปรับของนั้นทันทีนี่คือปัญญาต้องคิดให้ทันกิเลสกิเลสจะคิดว่าดีน่ารัก อยากได้ให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆต้องเอาปัญญามาแก้ว่าไม่จริงเอมันเดี๋ยวต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วไม่บางทีไม่จากมันก็เปลี่ยนไปอยากดีกลายเป็นไม่ดีไปอยากของดีกลายเป็นของเสียไป พอมันเปลี่ยนไปเรือมันเสื่อมเรือมันจากไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่มีอะไรจีรังท้าวนไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเดี๋ยวเขาต้องมีวันเสื่อมได้ลาบแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลาบ ได้เงินมาเดี๋ยวใช้เงินหมดมันก็เสื่อมราบไปละพอเงินหมดที่ก็ทุกข์แล้วสิขณะที่ยังไม่หมดก็เยังก็ยังทุกข์อยู่พอรู้ว่าถ้าใช้ไปเดี๋ยวมันต้องหมดแน่ๆก็ต้องทุกข์ละก็ต้องเครียดละต้องคิดหาวิธีหาเงินมาเติมละถ้าไม่มีเงินมาเติมเดี๋ยวใช้ไปมันก็หมดหมดมันก็จะเดือดร้อน อันนี้คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเจริญแล้วเดี๋ยวมันต้องเสื่อมได้ราบแล้วเดี๋ยวมันต้องเสื่อมได้ยศแล้วมันต้องเสื่อมก้าราชาการนี้ไต่เต้ า, ตากันขึ้นไปจากนายสิบไปเป็นนายพลเดี๋ยวพออายุหกสิบเขาก็ปอดนะหรือบางทีอาจจะไม่ถึงอายุหกสิบไปทำผิดโทษร้ายแรงก็ถูกกดได้ พอถูกปลดก็ทุกขึ้นมาทันทีสรรเสริญกันเหมือนกันคนที่พูดสรรเสริญเยินยอแล้ววันดีขึ้นดีอาจกลับมาด่าเราก็ได้ไปดูพวกสสในสภาสิถ้าเวลาอยู่พักเดียวกันนี่ก็โอ้ยหวานจ้อยแต่พออยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเริ่มมาพิปายไม่ไว้วางใจทีนี้สาวไส้ด่ากันแหลกเลย เขาถึงเรียกว่าในทางการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรไม่มีอะไรแท้ไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้ทุกอย่างสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้จากเพื่อนมากลายเป็นศัตรูได้จากศัตรูมาเป็นมิตรก็ได้แต่น้อยส่วนใหญ่มันจะพลิกจากมิตรไปเป็นศัตรูกันใช่มากกว่า พอขัดผลประโยชน์กันปั๊บเนี่ย ค, ความเป็นมุดความเป็นมิตรก็หายไปทันทีความเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งคู่อริก็ปรากฏขึ้นมาทันทีเราอย่าเป็นคนซื่ออย่าเป็นคนโง่อย่าไปหลงกับความคิดที่ก็ว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีคนที่มองโลกในแง่ดีเรียกว่าคนโง่เพราะว่าโลกมันไม่มีมันมันมีทั้งสองแง่มันไม่ใช่มีแง่เดียว มันมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเนี่ยจึงต้องรู้ทันโลกถ้าไปมองโลกในแงนด่ดีเดี๋ยวเวลาโลกมันเปลี่ยนไปไม่ดีมันจะไม่ทันแล้วมันจะตั้งหลักไม่ได้จะเสียหลักจะเจ็บตัวจะทุกข์ร้อนใจขึ้นมานั่นเองจึงต้องมองให้ทันโลกคือต้องมองทั้งสองด้านว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้มีทั้งการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจะหวังให้มันเจริญไปเพียงอย่างเดียวไม่มีวันเสื่อมนี่เป็นไปไม่ได้ต้องมีวันเสื่อมต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่สิ้นสุดไม่เสื่อมตอนเป็นก็ต้องสิ้นสุดต้องเสื่อมตอนตายตอนตายก็เหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง มีอะไรมากน้อยเพียงไรมีลาบมากน้อยเพียงไรมียอดมีตำแหน่งสูงเพียงไรมีผู้สรรเสริญเยินยอมากน้อยเพียงไรมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตามพอความตายมาถึงปั๊บนี่มันเอาไปหมดเลยไม่มีอะไรหลงเหลือติดอยู่ในใจอีกต่อไปนี่คือปัญญาเพื่อที่จะส ก, กัด ให้รู้ทันความหลงความอยากที่มองโลกในในง่ดีไปมองโลกในแง่ว่าเป็นโลกของความสุขโลกของจีรังยั่งยืนโลกของสมบัติที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดมันไม่ใช่เป็นโลกของนิจจังสุขขังอนตตาโลกที่เราอยู่กันนี้เป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนตตา จึงต้องระมัดระวังอย่าไปยึดไปติดสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเพราะเหมือนกับไปรับของขวัญลูกระเบิดที่ห่อในห่อของขวัญสวยๆนั่นพอไปรับมาแล้วเดี๋ยวพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็ระเบิดตูมอย่าไปยุ่งกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงเกล็ดลรดต่างๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ ถ้าอยากจะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์นี่ต้องเข้าหารถแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวมีรสแห่งธรรมท่านนั้นที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นนิจจังเป็นเป็นของที่จีรังถาวรเป็นความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เข้ามาปนเจือปนเป็นสมบัติของเราไปตลอดเราเอาติดตัวไปกับเราได้เพราะมันเป็นของ สมบัติของใจมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกรินกายเหมือนกับลาบยศสระเสรญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจึงต้องมีความยินดีในรสแห่งธรรมอย่าไปยินดีกับรสของลาบยศสระเสรญสุขถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ไม่อยากจะเจอความเศร้าโศกเสียใจ ไม่อยากจะเจอกับความเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเวให้มาหาความสุขของรถแห่งธรรมกันด้วยการเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับตานอนเราสามารถเอาเวลาเหล่านี้มาทำประโยชน์ให้กับเราได้ถ้าเรายังต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดอยู่ ก็ใช้สติคอยควบคุมให้มันคิดอยู่กับเรื่องงานเท e ่านั้นอย่าให้มันถูกกิเลสลากไปคิดเรื่องของราบยศสรรเสริญสุขนะแล้วถ้าทางที่ดีถ้าเราเริ่มเห็นคุณประโยชน์ของการเจริญสติเห็นคุณประโยชน์ของการหยุดคิดว่าทาให้ใจเราเบาขึ้นสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็อาจอยากจะหยุดภาระการงานต่าง ที่เราคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการมีเงินมีทองมากถ้าเราไม่ต้องการมีเงินมีทองเพื่อไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานมากเราก็ทำงานเฉพาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอทำมาหากินเพื่อเอามา เาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็พอถ้าทํางานแบบนี้ก็ไม่ต้องทำงานแทนที่จะทำห้าวันอาจจะทําแค่อาทิตย์ละวันก็พออาทิตย์ละวันสองวันก็พอมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารแล้วจะได้มีเวลาที่หยุดคิดมากขึ้นนั่นเองพอวันที่ไม่ทํางานเราก็จะได้ฝึกสติแบบไม่คิดกันได้ จะฝึกที่ไหนก็ได้ฝึกที่บ้านก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวถ้าเราไม่ยุ่งกับใคราการฝึกสติข้อสำคัญขอให้เราอย่ายุ่งกับใครเพราะถ้ายุ่งกันแล้วมันต้องใช้ความคิดนั่นเองเห็นพยายามอยู่คนเดียวถ้าอยากจะฝึกสติให้ได้ผลดีต้องอยู่คนเดียว อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าปีกไม่เวกคาว่าปีกไ ม, ม่เวกก็คือไปอยู่ในที่สงบสงบก็ต้องสงบคนเดียวถ้าอยู่สองคนมันไม่สงบล่ะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องขึ้นมานะพออยู่สองคนนี้ถึงแม้ไม่ได้ทําอะไรกันใจมันก็เริ่มอดคิดถึงเขาไม่ได้เขาก็อดคิดถึงเราไม่ได้เดี๋ยวก็อดคิดว่าทําไมไม่มาคุยกันทําไมไม่มาทักกันเขาโก o i เราหรือเปล่าเขาเกลียดเราหรือเปล่า คิดร้อยแปดขึ้นมาแล้วถ้าอยู่สองคนแล้วให้อยู่เฉยๆไม่ให้ไม่ให้คิดนี่มันจะอดคิดไม่ได้ี่ยแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่เห็นเขาแล้วมันก็จะได้ไม่คิดได้เนี่ยแม้แต่แไปอยู่วัดที่มีกุฏิใกล้กันบางทีก็ยังคิดถึงกันเล ย, เ, ยเขาทำอะไรอยู่เราไปรบกวนเขาหรือเปล่าเขารบกวนเราหรือเปล่ า, อ, า, ลลาอะไรต่างๆมันก็จะคิดขึ้นมา กุฏิในวัดปฏิบัตินี้เ็าตกวงพยายามให้มันอยู่ไกลๆกันไม่ให้มันได้เห็นกันไม่ให้ได้ยินเสียงกันให้เหมือนกับว่าอยู่คนเดียวนั่นแหละเป็นสถานที่เหมาะที่สุดในการฝึกสติเพราะจะได้กันความคิดต่างๆที่ไม่ควรจะคิดให้มันเกิดขึ้นนั่นเองพอเราคิดน้อย ถึงม้อยู่ในที่ที่ไม่มีให้ความคิดความคิดที่มันเคยสมอยู่ในใจมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆสัรยาอารมณ์อดีตต่างๆมันก็โผล่ขึ้นมามาหลอกมาล่อให้เราไปคิดถึงมันพออยู่คนเดียวมันไม่รู้จะคิดอะไรมันก็ค้นหาเรื่องเก่าๆขึ้นมาคิดตอนนั้นเน่ะต้องใช้สติแล้วถึงจะหยุดมันได้ความคิดจากสิ่งแวดล้อมไม่มีแล้ว สิ่งววดล้อมใกล้ตัวเราไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราคิดนะต้นไม้เสียงต้นไม้เสียงลมพัดนี้มันไม่ค่อยมีผลนะต่อการกระตุ้นความคิดเท่าไหร่แต่ความคิดที่มันคอยคิดเป็นนิสัยนี่มันยังไม่หยุดเนี่ยพอตอนนั้น่ะต้องใช้สติคอยควบคุมมันด้วยกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใช้พุทโธถ้าชอบพุทโธก็พุทโธไป ท่านเหนื่อยอยากจะพักพุโทโธก็เปลี่ยนมาเป็นการเฝ้าดูอิรยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกายไปหรือถ้าบางครั้งบางคราวมันเกิดอาการพยศขึ้นมากับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ต้องใช้กรรมฐานอย่างอื่นเช่นถ้าเกิดไปโกรธใครขึ้นมาก็ต้องใช้เมตตามาแก้กรรมฐานเมตตาก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง ให้แผ่เมตตาให้อภัยของเรื่องราวก็ผ่านไปแล้วเขาทำอะไรก็ทำไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วเอามาคิดให้ปวดหัวไปทาไมเสียของแล้วยังต้องมาเสียใจเสียครึ่งเดียวก็พอเสียของไปแล้วเอามาคืนไม่ได้แล้วอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วคิดอย่างนี้แต่ไม่ต้องมาโกรธให้เราเสียใจในภายหลังอีก ต้องให้อภัยกันไปสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นเขาเขาเป็นเราถ้าเขาให้อภัยเราเราก็จะรู้สึกสบายใจแล้วเขาก็จะสบายใจเรอเราให้อภัยกันเถิดเวลามีปัญหาอะไรกันอย่ากโกรธกันไม่ดีโกรแล้วมันทำให้ทุกข์กันไปเปล่าๆให้อภัยแล้วจะทำให้ความทุกข์นั้นดับไป งั้นบางทีเวลาอยู่คนเดียวไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ยังค้างค้างอยู่ในใจทำให้โกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาก็ต้องใช้เมตตาภาวนาใช้กรรมฐานคือเมตตาแทนต้องให้อภัยเขาหรือถ้าเกิดการมารม์ขึ้นมานึกถึงคนสวยๆงามๆหล่อๆอยากจะ ร่วมหลับนอนกับเขาอยากจะมีความสุขกับเขาก็ต้องคิดถึงอสุภะของเขาบ้างคิดถึงส่วนที่ไม่สวยของร่างกายของเขาร่างกายของเขามีทั้งส่วนที่สวยน่าดูและส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยส่วนใหญ่เรามักจะมองเห็นแต่ส่วนที่น่าดูน่าที่สวยกันจึงทำให้เราเกิดความอารมณ์รักใคร่กันขึ้นมา ถ้าเราต้องการหยุดอารมณ์ไข่เหล่านี้เราก็ต้องมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามมองเข้าไปภายในมองเข้าไปใต้ผิวหนังเราก็จะเห็นโครงกระดูกนะภายใต้ผิวหนังก็มีเนื้อผิวหนังเนื้อหุ้มอยู่หุ้มหุ้มอะไรก็หุ้มกองโครงกระดูกนี่เองแล้วในโครงกระดูกก็จะมีอวัยวะต่างๆน้อยใหญ่อยู่ภายใน มีปอดมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีสมองเป็นต้นบางทีต้องดูอาการเหล่านี้บ้างแล้วก็จะทำให้อารมณ์ไม่ดีดับไปได้การพยศของใจบางครั้งมันเผลอไปคิดขึ้นมาเองคิดแล้วก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องแก้ด้วยการใช้อสุภาใช้ พุโทโธก็ไม่ได้ผลใช้การดูเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะไม่ได้ผลเพราะเป็นเหมือนกับใช้ยาผิดประเภทปวดศรีรษะแล้วไปกินยาแก้ปวดท้องมันก็ไม่หายต้องเปลี่ยนยาเปลี่ยนมากินยาแก้ปวดศรีรษะแทนการอาการปวดศรีรษะก็จะหายไปนี่คือการจเจริญสติทางนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้เพื่อที่จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาบางทีปฏิบัติไปแล้วเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายก็ให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงการต่อสู้การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์คิดถึงคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามีความอดทนไม่ให้ท้อแท้เบื่อหน่าย หรือให้เราคิดถึงความตายเพื่อดูว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วแล้วพอเราตายเราก็จะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วตอนนี้เรายังไม่ตายเรามาท้อแท้มันทำไมมันก็อาจจะพลิกเปลี่ยนความท้อแท้ให้เกิดเป็นความขยันขึ้นมาแทนกันได้มีกําลังใจกลับที่จะขึ้นมาสู้ต่อไปได้นนี่คือเรื่องของการเจริญสติ เรียกว่าเป็นการเจริญกรรมฐานการเจริญกรรมฐานก็คือการเจริญสติเราเลิกถึงพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติเฝ้าดูร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติพิจารณาอสุภะก็เป็นกรรมฐานการเจริญเมตตาก็เป็นกรรมฐานการเราเลิกถึงความตายก็คือมรณานุสติ lude. นี่เป็นการเจริญสติเพื่อมารับ มาระ ง, งับความคิดปรุงแต่งที่ทำให้จิตใจฟุง้งซ่านทำให้จิตใจวุ่นวายได้เพื่อจะได้ทำจิตใจให้กลับมาเป็นปกติเพื่อที่จะได้ใช้พุทโธเรือการเฝ้าดูลมหายใจทำใจให้สงบได้นี่คือเรื่องของการเข้าเข้าหารถแห่งธรรมในเบื้องต้นต้องเข้าหาด้วยสติเป็นกุญแจดอกแรก ถ้าไม่มีสติแล้วอย่าไปหวังเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติแม้แต่รักษาศีลก็จะรักษาไม่ได้เมื่อคืนนี้กินเหล้าเมาในตอนนี้ยังตาจยังไม่ตื่นก็ได้อยาให้ลุกขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไม่ได้ไม่มีสติพอที่จะควบคุมบังคับให้ใจลุกขึ้นมานั่งฟังเทศฟังธรร ม, มรักษาศีลได้ งนั้นต้องพยายามฝึกสติก่อนนะในการปฏิบัติสตินี่แหละจะเป็นผู้ที่จะชี้อนาคตของการปฏิบัติของเราว่าจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าหรือจะถดถอยหรือจะอยู่กับที่อยู่ที่กำลังของสติเป็นหลักถ้ามีสติเพิ่มมากขึ้นการขับเคลื่อนการจเจริญของการปฏิบัติก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่าง ได้ดายและร ว, วดเร็วถ้าไม่มีสติก็จะอยู่กับที่หรือถ้าเสียสติหรือสติลดน้อยถอยหลงก็จะเดินถอยหลังทุกอย่างทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสติเป็นหลักจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการเจริญสติของการฝึกสติถ้าเราอยากจะเข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงขอให้เรามีความยินดี ในการเจริญสติเป็นเบื้องต้นก่อนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องปัญญาเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งหลายตอนนี้ขอให้กังวลกับเรื่องสติก่อนว่ามีสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้หรือไม่คอยควบคุมความพยศของจิตได้หรือไม่เวลามันเกิดอารมณ์เบี้ยวบูดต่างๆขึ้นมาทำให้มันหายไปได้หรือไม่เอาตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไป ทำอย่างอื่นต่อไปอ น, นี้คือเรื่องของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง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 สัพพะโรโควินาศสตุมะเตผวะตวันตรายุสุขีทิฆายุโกภวะอภีวาธนสิริตสะนิจังุทธาปจายโนจตารโอธรมมวะทานติอายุวันโสุขังภาลัง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 With you 18, วิทย์ออนไลน์สิบแปดรับฟังบนเขาเก้าสิบสองรวมทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบห้าท่านเจ้าค่ะโอเควันนี้มีชาวต่างชาติวันนี้ก็คิดว่าปัญหาก็ต้องหมดไว้เพียงแค่นี้ก่อนเพราะมันหมดเวลาก็ใครมีคำถามก็ส่งเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัต